ขอความสุขความจเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงปฏิสันหลีในสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการพิสูจน์คนหรือการสังเกตคนไว้สี่ข้อด้วยกันมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่า คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จลีกเรนออกในป่าอยู่ในป่าใกล้พระเชตวันพระเจ้าประสิทธิที่กูศลก็เข้าไปเฝ้าถึงที่ลีกเรนต่อมาก็มีนักบวชนอกาศาสนาเอาฝ่ายละเจ็ดคนเป็นพวกปริภาชกเป็นอาเจรลกเป็นชดินแต่งตัวตามแบบของเขาก็เดิน สะายของพระรุ่งพระงผ่านมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นั้นท่านจะนึกอย่างไงของท่านไนทถาท่านก็หันมายกมือไหว้ไปที่นักบวชเหล่านั้นซึ่งเดินมาเป็นแถวและประกาศชื่อประกาศโคดประกาศสถานะของตนว่าข้าพเจ้าชื่อพระเจ้าประเสริฐทีโกศล เป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วก็หันมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านนักบวชที่เดินผ่านไปเหล่านั้นน่าจะเป็นพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งคือน่าจะเป็นพระอาหารหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้านั้นก็ทรงทราบความคิดของพระเจ้าประสิทธิ์ทกล เธอก็ไม่ปรารถนาที่จะให้พระองค์เขินจนเกินไปก็รับสั่งว่าหมาปพิษรพรองค์เป็นเกลือหัสบริโภคกามแวดล้อมอยู่ด้วยราชโอรส ร, ราชธิดามเยสีสนมกำ น, นันในแด้าราชบริพารเป็นนันมาก เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปว่าใครเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นพระหันได้หรอกเพราะว่าความมีสีนันจะรู้กันเพราะการอยู่ร่วมกันความสะอาดจะพึงรู้กันได้จากถ้อยคำาละการกระทํากะลังใจจะรู้ได้เมื่อมีอันตราย ปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนากันและทุกข้อทั้งสีปสงส่ประการนั้นคือบทพิสูจน์ทั้งสประการนั้นทรงยำ้ำว่าจะต้องเป็นการอยู่ร่วมกันนานๆจะต้องมีหลักมนานสิการและมนานสิการไปๆจนเกิดปัญญาพินิจพิจารณาคนมีปัญญาจริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ได้ คนที่ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้และในที่สุดพระเจ้าปเสนิโกโศลก็กราบทูลว่าที่จริงข้าพระองค์ต้องการจะทดลองพระองค์เฉยๆคือคนนักบวชเหล่านั้นทางทางทางทางสามชุดือชุดลเจดคนเนี่ยเป็นจารชนที่ข้าพ ร, ระองค์ส่งไปทางแพวนมคตอังะคะมคตวัชี เพื่อให้ติดตามข่าวสารการเมืองของบ้านเมืองเหล่านั้นในข้อนี้ก็มีหลักที่ควรทำความเข้าใจอยู่ก็หลายเรื่องเป็นจารีตประเพณีแบบแผนตลอดถึงหลักธรรมประการแรกก็คื อ, อลักษณะการส่งจรชนไปบ้านอื่นเมืองอื่นนั้นก็มีการกระทํากันตั้งแต่ เริ่มเกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มชนเป็นเผ่าชนกันมาแล้วเพื่อสอดแนมเพื่อศึกษาเพื่อแสวงหาประโยชน์จากฝ่ายตรงกันข้ามตามเรื่องราวที่ปรากฏในพระบาลีนั้นบางครั้งบางคราวพระราชาสเสด็จเองเลยทาไปอย่างพระเจ้าพิมพิสารนั้นเวลาออกไปสืบราชการจ ะ, สะเสด็จด้วยพระองค์เองตอนยังยังหนุ่มอยู่สเสด็จไปเมือง อุ uh, i, i, uh, i, เชนีแคว้นอุเชนีกรุงอุเชนีเสด็จไปที่แขวนวัชจีเป็นตนโดยพระองค์เองเพื่อศึกษาเพื่อสอดแนมความเป็นไปของบ้านเมืองเหล่าอื่นโดยต้องการให้รู้ถึงความเข้มแข็งความอ่อนแอของบ้านเมืองเหล่านั้นแล้วก็สแสวงหาประโยชน์จากบ้านเมืองเหล่านั้ น, นการกระทําเหล่านี้ก็สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ว่าปัจจุบันมีความละเมดระไม่มากยิ่งขึ้นมีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็เล่นกันหลายชั้นหลายเชิงด้วยกันกว่าเราจะมองออกว่าอะไรเป็นอะไรทีมก็สายไปแล้วเพราะว่ามีการปรุงรูปแบบเพื่อให้สังเกตยากได้ยิ่งขึ้นเนื่องจากต่างคนต่างก็ศึกษาจากตำราตำมามาเล่มเดียวกัน ที่ก็เรียนมาจากแข่งเดียวกันมาทำงานในเกี่ยวกับจารกรรมด้วยกันมันก็พอรู้เชิงกันจึงต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการกระทาแต่สรุปว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ไว้ใจกันในขณะเดียวกันก็ต้องการผลประโยชน์จากอีควายหนึ่ ง, งเพื่อมาเสริมสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองอยังในปัจจุบันนี้เราจะพบว่า ยังมีงานบางอย่างในบ้านในเมืองเราเองคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าที่จริงมันก็เป็นงานในลักษณะจรกรรมประการหนึ่งเช่นว่านักศึกษาไทยเราไปทำปริญญาทำวิจัยทวิทยานิพนธ์ไปต่างประเทศทำปริญญาเอกก็จะให้ ทำรายงานและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเศ ร, รษฐกิจของไทยการเกษตรของไทยการข้าวการอะไรอะไการประมงอะไรอะรเราก็ค้นคว้าหลักฐานหาไปให้เขาเรียบร้อยเป็นปึงปึงไปถึงพวกนั้นก็ให้เศษกระดาษมาแผ่นหนึง่งแล้วเขาก็ได้อะไรไปบ้านเราไปแยะโดยไม่ต้องส่งคนมามันก็เป็นจารกรรมที่แนวลึกซึ่งซึ่งเราก็เข้าไม่ค่อยถึงนะฮะว่านี้ที่จริงมันก็เป็นงานแบบจารกรรมอย่างหนี้ง คือต้องการจะหาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งพระเจ้าประเซนต์นิโกสนเองท่านก็ทรงคนออกไปทํางานจารกรรมในลักษณะนั้นแต่ทตีนี้รูปของการจารกรรมนั้นส่วนมากพระเราเนี่มักจะถูกเป็นเครื่องมือของนักบวชคือสรุปเป็นักบวชเพราะนักบวชนั้นสังคมเขาไว้เนื้อชื่อจ่ายมากไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามคือเป็นผู้ที่ได้สถานะสูงจากสังคมรู้สึกปัญหานันดอนที่สองนะ รองจักรประมากษั์ในพุทธานันดอนสีอะไรเดี๋ยวเาว่ากันว่า ไ, ไอ้จากการได้สถานะทางสังคมในทำให้เพศ น, นักบวชมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของนักบวชเองบางครั้งนักบวชถูกใช้เป็นเครื่องมือในงานจารกรรมโดยตัวเองก็ไม่รู้นะฮะบางครั้งก็อาศัยรูปแบบของนักบวชเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในงานจารกรรมอย่างในกรณีนี้ ท, ท, ท, ที่จริงเป็นทหารใ น, ในเมืองนะฮะ ก็เอาไปแต่งตัวเป็นนักบวชเป็นปริภาชกเป็นอาชีรกเป็นชดินก็ซึ่งทําเวลาสมุทรจับได้ไล่ทันสถาบันนักบวชสามกลุ่มนี้ก็แย่เลยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าก็ถูกมองในแง่ที่เป็นกลุ่มชนซึ่งซึ่งไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจตามทั้งที่เป็นกลุ่มชนที่เป็นปูชนียบุคคลของสังคมลลักษณะเหล่านี้มาจนถึงแม้ในเมืองไทยเราคือเหตุ เหตุอย่างหนึ่งที่เขาเล่ากันนะฮะเพราะว่าในบินในนี้ไม่ได้บ่งว่าพระจะต้องโกนคิ้วนะฮะเวลาวันโกนพระต้องโกนคิ้วด้วยถามมาโกนทําอะไรพราที่โกนคิ้วมีเฉพาะเลาเฉพาะไทยแค่เมตรแต่นั้นเองโกนอยู่สามชาติต่านั้นเองชาติอื่นเขาไม่โกนนะฮะพวลังกาพม่าขึ้นไปนี่เขไม่โกนพวกเอ่อพวกมายานทั้งหมดไม่โกนก็มีโกนอยู่เพียงสามชาติ ลาวก็เหม็นันแน่นอนนะถ้ า, ทาไทยโกลนเโกลเน่เพราะว่าเขารับอะไรจากไทยไปวัดปรวรก็เป็นต้นตอที่เผยแผ่ศ า, ศ, าศาสนาเข้าไปสู่เขเมรนะฮะในประเทศลาวก็ไปไปจากวัดปรวรเหมือนกันฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยดังนั้นตัวการสำคัญว่าทำไมไทยจึงโกลคิ้วอ่ะเขาล่าเป็นเกรดประวัติศ า, ศาสตร์ว่าเป็นเหตุการณ์สมัยยุทธยา คือพม่าใช้พระเป็นจารชนไม่ใช่พระหรอกคือคือคือคือเอาทหารเนี่ยปลอมมาเป็นพระปลอมจนยุ่งไปหมดเพราะเราไปมาอยู่ด้วยการติดต่อทางศาสนาแล้วก็ไปมากันทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะก็ตกลงว่าคล้ายๆกัตกลงรับระหว่างในหมู่พระซึ่งจึงจึงเป็นโคตรับกันแล้วต่อไปให้พระเราโกนคิ้วให้หมด ดีนะฮะไม่ทำอย่างอื่นไม่ให้สักหน้าสักหัวอะไรอย่างพระเวียนามอย่างพระจีนเอาแต่ขนาดโกนคิ้วเป็นเครื่องหมายเป็นสั ญ, ญลักษณ์เฉยๆเพราะ ง, งั้นพอตาพมพม่าค่าศึกที่ปลอมมาเป็นจราชนก็มีคิ้วก็จับได้เป็นวิธีการของบ้านเมืองซึ่งอะไรล่ะคือหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยศาสตร์ศาสนาเพื่อเอาประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งก็เลยอาศัยศาสนาเพื่อเอาประโยชน์จาอีกฝ่ายหนึ่งเลยพระอยู่ตรงกลางก็โดนเป็นเครื่องมือหมวดทั้งสองด้านพระพม่าก็เป็นเครื่องมือให้ปลอมบวชเข้ามาพระไทยก็เป็นเครื่องมือของบ้านเมืองให้โกนคิ้วเลยอนี้ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งที่เป็นเกตุทางประวัติศาสตร์นะฮะพวกเราสืบสาวต้นต่อไม่ได้ไม่มีในวินัยเลยพระพุทธเจ้าบอกแต่ว่าให้ปรงผมโกนหนวดลุ่งผมผ้ากาสายะ แล้วก็เข้ามาไหว้เท้าพิกสุ ข, ขอบรนประชาผสมบทท่านนั้นเองในะวินัยว่าไว้ท่านั้นคิ้วมาจากไหนนี่ไม่มีรู้นะฮะดันั้นใครจะโกนคิ้วหรือไม่โกนคิ้วว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ถูกอะไรนะมันกลายเป็นจารีตไม่ใช่เป็นเรื่องของวินายเป็นจารีตเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในคณะสงฆ์ไทยท่านั้นเองก็แค่พวกจารีตอย่างนี้จําเป็นจะต้องทําให้เสมอกันท่านั้น ไม่ได้หมายความมาถ้าถาาไม่ทำแล้วผิดแต่ก็ไม่สวยงามนะอยางวินัยกาหนดจริงๆไม่ได้บอกวันโกนหัวไว้นะฮะบอกแต่ว่าให้ไว้ผมยาวไม่เกินสองเดือนหรือยาวไม่เกินสองสององคุลีแต่ผมยาวเกินสององคุลีมันชักจะมากไปอ่ะดูแลมันชักจะเป็นชาวบ้านมากไป ทีนี้เราจะพบว่าอย่างพม่าอย่างลังกาเนี่ยเขาเขาหัวชนกันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยคือใลรนึกจะโกนก็โกนไม่นึกกก็ไม่โกนอะ่ะไทยเราเราเป็นเจ้าระเบียบอะเมื่อก่อนเราก็สิบห้าวันโกนครั้งหนึ่งก็ไม่ไหวนะมีดไม่ค่อยดีสมัยก่อนโกนหัวสิบห้าวันครั้งหนึ่งหัวยังไม่หายแสบไปโกนอีกแล้วก็แย่เหมือนกันนะแต่เง้นพระสมัยก่อนรู้สึกหัวลานแย่เโกนมากไปทีนี้ ต่อมาก็มาถึงยุคหลังเนี่ยเราเห็นว่าไอ้สิ้าวันมันก็นิดเดียวก็พอไว้สักเดือนหนึ่งก็ดูยังไม่ค่อยจะน่าเกลียดก็ตกลงว่ากําหนดให้เป็นเดือนหนึ่งจึงโกนผมแต่เอาก็จริงจนทุกบันเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่ายังไม่ลงกันหัวยังชนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างวัดชนประทานเนี่ยเขายังถือ15วันอยู่ครับสิบห้าวันก็โกนหัววัดอื่นก็หนึ่งเดือนเพราะงั้นหัวก็มาชนกันเองเลยหัวดําหัวขาวก็ว่ากันมาชนกันเอง นี่ก็เป็นเรื่องของจารีตซึ่งหมายความว่าถ้าไม่ทำก็ผิดจารีตแต่ไม่ผิดวไิไนัยเพราะวินัยไม่ได้มีดังนั้นจะพบอีกประการหนึ่งว่าพระเนี่ยถูกใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือจนพวกบางพวกก็บอกเป็นเครื่องมือของพวกศักดีนานะฮะมีคนบางคนก็ด่าว่าเป็นเครื่องมือของสักดิดาหมายความว่าพระไม่ได้เป็ น, นแต่ว่าเพื่อนเขายืมฮะยืมไอ้โครงสร้างของพระเนี่ย เข้าไปเป็นเครื่องมือตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะเครื่องมือนักบวชพวกนักบวชคลิปนักบวชอะไรก็โดนทั้งนั้นนะฮะเปิ้นยืมเพราะมันแต่งง่ายจะตายเนะี่ยแต่งพระแต่งเป็นพระแต่งง่ายจะตายยิ่งคนเคยบวชเคยเรียนแล้วเอาไปถึงก็หมจีวรปบปัปับป๊บปับ๊ปะโกนหัวแป๊บเดียวเข้าร้านออกมาก็เป็นพระมารเรียบร้อยนะคนก็ไม่ได้รู้ไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะพิสูจน์นี่เราจะเห็นถึงว่าบ้านเมืองจะพยายามดึงเอาแอะ ผลประโยชน์นะฮะที่เขาเล็งเห็นจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งเข้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเองซึ่งก็ทำกันมานานแล้วนะรเราจะโทษใครไม่ได้เป็นโทษของวัตตะประการที่สองก็คือการหลีกเร้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นปกติจะทรงทำงานมากอย่างที่บอกนะฮะปุป บ, บันเถหปินตะปาตันจะตอนเช้าบินตะบาตอนเย็นสแสดงธรรมตอนหัวค่ำก็โอวาทภิกษุนะตอน ดังเที่ยงคืนก็สั่งสอนเทวดาตอนใกล้รุ่งก็ตรวจดูดสัตว์โลกมุนวนเป็นวัตจักคือทุกวันทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นในร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นโลกิยะนะร่างกายเป็นโลกิยะนะเป็นโลกุตระที่ประทัยแต่นั่นเองร่างกายมันก็มีเจ็บมีป่วยมีผายผอมมีเหน็ดเหนื่อยมีปีโรคใครไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ธรรมดาธรรมดานี่ในร่างกายธรรมดาธรรมดาเมื่อร่างกายสู้ไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็ต้องพักเหมือนกัน พักดวยวิธีการหลีกเล้นหลีกเล่นหมายความมาก็หลบออกไปห้ามไม่ให้มีการติดต่อใครเข้าไปติดต่อไม่ได้จะมีพระส่งอาหารไปเพียงองค์เดียวไม่เสด็จบิณฑบาตด้วยนะจะอยู่ราวเจวันหรืออย่างมากก็15วันเป็นอย่างมากเคยออกคลั้งใหญ่ทีเดียวนะฮะสมเดือนออกหลีกเล่นอยู่ในป่าที่ท่านทั้งหลายเคยเห็นรูปพระพุทธรูปที่มีลิงกระช้างะฮะ นลิงกับช้างเรียกวพระป่าลีลยตอนนั้นพระเกิดทะเลาะ ก, กันที่เมืองไพศาลีทะเลาะ ก, กันมั่วตัวไปหมดเลยญาติโยมก็ถือพวกรบกันคือยุ่งกันไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะพระเจ้าเสด็จไปห้ามมันมันแรงเกินไปแล้วก็ที่จริงก็ชี้ปิดชี้ถูกได้แต่ในกรณีนั้นเขาไม่ชี้หรอกฮะเพราะคนเลือกเข้าตาแล้วไม่ยอมรับต้องปล่อยให้ผลกรรมสำแดงผลเองพระเจ้าก็เสด็จหลีเข้าอยู่โดยป่า ปาริยากะนี่ช้างตัวลิงตัวก <c oughs> ็อยู่ในป่าเ อ, อนั้นก็คือนานที่สุดในพระชนมาชีพของพระพุทธเจ้าที่หลีกเล้นแล้วเข้าไปอยู่ในป่าดึก ป, ป่าลึกเลยส่วนมากจะ15วันกับเจ็ดวันแล้วเจวันนี่จะเป็นหลักในช่วงนั้นคนเข้าเฝ้าไม่ไดออ้นอกจากคราวนี้จะเล่าอีกคราวหนึ่งซึ่งซึ่งถือว่าเป็นแบบแผนเสเด็จหลีกเล่นคราวหนึ่งเนี่ย ก็กดเกณฑ์เหมือนเดิมนะฮะพระรู้กันมีพระรูปหนึ่งชื่อพระอุปเสนณวังคันต บ, บุตรน้องชายพระสาดีบุตรเนี่ยท่านไม่รู้ว่าพระพเจ้าหลีกเร้นท่านรู้แต่ว่าประทับอยู่ในป่าท่านเข้ามาอีกด้านหนึ่งของเมืองอีกด้านหนึ่งของป่ามองฝ้าพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ต้อนรับดีนะโอภาบัสัยอสอบถามอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพระในเมืองสาวัตถีท่านเกิดไปตั้งกฎขึ้น ถ้าใครเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้ปรับอบัติปาจิตตีอบัตปาจิตตีเนี่ยมันมีปาจิตตีเขาเรียกสุติกะปาจิตตีปาร จ, าจิีล้วนๆ น, นะฮะมี92ข้อกับนี้สกิยาปารจิตตีมี30มสิบข้ อ, อ, อพอบัญญัติขึ้นมาอีกข้อมันเป็ น, 93, นเก้าสิเรียน93ข้อซึ่งเราจะเห็นว่าแบบของพระอราหันเนี่ยท่านมียังไงพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเพื่อต้องการให้ท่านแสดงหลักนะฮะ ถ้าสั่งถามอันนี้เธอรู้หรือเปล่าว่าเขาเขาประกาศกันนะว่าใครเข้าเฝ้าตถาคตได้จะปรับอบัตประย ต, ตีพระบังพระวังพระอุปเสสนาท่านบอกท่านไม่ทราบท่านก็อยู่ป่านะฮะท่านก็อยู่ป่าไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าท่านเองนั้นถือว่าจักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นจักไม่เพิ่ ถ, ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว จะสมาทานศึกษาปฏิบัติเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงมัญญัติไว้เท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวแต่คนอื่นไม่เกี่ยวเนีมาใส่เองนะท่านไม่ได้ว่าแต่ว่าเราจะเห็นว่านีวาทะของพระอาหารหันเป็นอย่างเงี้ยคือท่านเอาเฉพาะของพระพุทธเจ้าท่านเองพระพุทธเจ้าประธานสาธุ ก, การเป็นการใหญ่แล้วทรงแสดงอหลักเอาไว้นะฮะหลักนี้ทรงแสดงไว้ในหลักของอภารณียธรรมอยทีงี้ คือไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติไปแล้วจะศึกษาปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เท่านั้นอาการหลีกเรนนั้นตามปกติแล้วใครก็ไม่ค่อยเข้าเฝ้าอย่างที่ว่านะนอกจากพระที่ทรงอาหารแต่พระเจ้าปเสนที่โกศลเข้าเฝ้าซึ่งเราก็มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพระพุทธเจ้ากับพระราชาทั้งหลายเนี่ย คือพระราชามาหาราชผู้ใหญ่ทั้ง4ี่พระองค์สมัยนั้นพระเจ้าจันทประโชดแห่งอุตเชนีพระเจ้าอุทเทนแห่งโกสัมพีพระเจ้าพิมพิสารแห่งมคตพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งสาวัตถีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมากแล้วโดยเฉพาะสององค์เนี้ยใกล้ชิดมากเลยพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าประสิทธิโกศลคือจะเข้าเฝ้าตอนไหนก็เข้าเฝ้าเลยแล้วก็ไปโดยลําพังพระองค์เอง ก็รู้สึกว่าบรรยากาศสบายๆนะฮะซึ่งโครงสร้างในแนวนี้ถ้าเรามองไปย้อนไปตั้งแต่ราชการที่6ขึ้นไปนะฮะไม่ใช่ราชการที่5้ราชการที่ห้าแหนึ่งสาสี่ห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะคุ้นเคยกับพระมากที่สุดเลยแล้วจะมีเรื่องเล่นเรื่องอะไรขำๆอะไรกท่านในีท่านมาคุยกับพระหรือว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะ มามาคุยกับพระบางทีวันนอนกันอยู่เลยนะฮะอย่างราชาการที่ห้าท่านสร้างพระราชาเนี่ยท่าเป็นนอนอยู่กับเจ้าคุณสิริธรรมอ่ะเรื่ อ, อยๆไปนอนบางวันคราวหนึ่งเจ้าคุณสิริธรรมแกงเลียงถวายแนละ้วป ร, กรวากฏว่าท้องเสียเลย <laughs> แหนะให้เด็กแกงเลียงถวายนะก็แกงไม่เป็นนะพระไม่เป็นนะเรื่องนี้ดีแต่กินนั่นเองนั <laughs> เลยเราจะเห็นได้ ว, ว่าความคุ้นเคยฮนะระหว่างพระกับประราชาเนี่ยแล้วก็ต่างควันต่างผายต่างก็อิงอาศัยกัน พระจะช่วยงานพระราชาเป็นตัวเชื่อมระหว่างพระราชากับประชาชนได้ดีเพราะว่าพระเข้าถึงทั้งสองด้านเข้าถึงคนทุกระดับได้แล้วก็ช่วยกันในในด้านบ้านเมืองโดยโดยอ้อมนะฮะไม่ใช่ว่าโดยตรงเพราะว่าโดยตรงพระเราก็ไปทําไม่ได้ความคุ้นเคยระหว่างพระเจ้าปัตตเซนที่โกรศลกับพระพุทธเจ้านั้นคุ้นเคยมากเพราะส่วนหนึ่งเป็นปราชกุมารรุ่นเดียวกันนะฮะมีประชาชนมายุธเท่ากันมีเดียวกันแล้ว เป็นพระราชาที่อามาเคยเล่าฟังนะฮะว่าชื่อซื่อนะฮะชื่อซื่อแล้วก็ฉลาดน้อยไปนหน่อยแต่ว่าเป็นเป็นคนซื่อซื่อบริสุทธิ์คือไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอ่าพวกนี้ผู้ศรัทธาจะเด็ดพร้อมที่จะน้อมไปหาที่ไหนได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องประครับประคองไว้เสมอพระเจ้าปเสนในโกศลเนี่ยท่านเอ้ท่านพระเจ้าปรเสนที่โกศลเนี่ยท่านท่านท่านท่านมักจะจะหลงอะไรได้ง่าย เ, ออเมื่อการเมื่อท่านแสดงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้นะฮะรู้ความคิดรู้เจตนาในการพูดแต่ได้พูดหักหน้าไปเลยจะบอกว่าจะมาทำไขสืออีกน้ำจราชนของหมห า, าพิษอย่างนี้มันเสียหน้าแย่เสียหน้าแย่พระพุทธเจ้าไม่ทำจะไม่ทำให้คนกระทบกระเทือนใจจะจะพยายาม คือพูดให้เขาเกิดความสำนึกด้วยตัวของเขาเองอย่างที่อา ม, มาเล่าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอาเทศนาปาฏิหารคือทายใจคนได้รู้ใจคนนะเข้าใจความคิดจิตใจหมดแต่จะไม่แสดงให้เขารู้นอกจากจะสอนทำมาให้ตรงกับจิตใจเขาที่คิดในขณะนั้นถ้าไปแสดงรู้วารจิตอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องอุวาสิกาหรือวารจิตนะหรือแม้แต่อาจารย์มั่นเองนะท่านไปใช้ เจโตปริยาณนะฮะถ่ายใจคนอื่นรู้ใจคนอื่นเข้าสองสามองค์นะฮะเตลิดเปิดเปิงข้าป่าหมดเลยพระอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคนรู้ใจรู้ความคิดเนี่ยตรงนั้นถึงรู้เขาก็ไม่แสดงเพราะถ้าแสดงขึ้นมาสมมุติว่าโยมอาตมารู้ใจโยมหมดทุกคนนโ ย, ย, ย, ยมโยมก็คงไม่คบกันนะคือความคิดเราเนี่ยเราห้ามไม่ได้ไม่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรบ้างบางทีเราคิดดีบางทีก็คิดไม่ดีคนก็ จะไม่สบายใจด้วยการอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าจึงใช้ธรรมะเท่านั้นเองใช้ธรรมะเข้าไปแก้หรือเข้าไปเกื้อกูลต่อความคิดของของของท่านเหล่านั้นในขณะนั้นนั้นทรงชี้ให้เห็นว่าการที่คนเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือวินิจฉัยของที่สูงกว่าเรานะฮะ สูงเกินสติปัญญาของเราไปพระวินิจฉัยเป็นพระอระหันต์ท่านวินิจฉัยสูงเกินไปอท่านเป็นปุตตุชนนะฮะพระเจ้าปเนโโสนโกศลเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากแต่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอยู่กันมาตลอดฮะแม้แต่ขัวรุ่งจะที่วงโคตเนี่ยตอนหัวข้ามยังอยู่กับพุทธเจ้าเลยแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกแล้วว่าท่านฉลาดน้อยไปหน่อย พระเจ้าทรงแสดงถึงเหตุปัจจัยว่าคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมบุตรพัญญาฆ่าธาตุบริวารสนมกันันใ น, นเสนาขาราชการแล้วก็งานไอต้ต่างๆไป น, นั้นมากเนี่ยไม่สามารถจะวินิจฉัยความเป็นอารหันหรือไม่เป็นอารหันนะฮะวินิจฉัยไม่ได้ทั้งสองอย่างนะจากจุดนี้เราต้องได้หลักอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนะฮะ เราจะเห็นว่าพระอาหารหันต์แต่งตั้งจากพวกโลกชิปพวกพลังทิปอะไรอะเยอะทุกวันในหนังสือพระอาหารหันต์แต่งตั้งกันเยอะเป็นการยืนยันว่าขัดแก่หลักตัวนี้ยเพราะว่าคนที่ไปแต่งตั้งนั้นเป็นชาวบ้านนะนั่นนีน่เป็นชาวบ้านไปแต่งตั้งพระให้เป็นพระอาหารหันต์กันไปล้นี้เยอะแยะไปหมดเลยพระอาาริยะบุคคลเป็นปึงป้งๆอ่ะเป็นเล่มๆพเมพอขนาดนี้ยมีคนเคยเอามาให้ตั้งร้อยกว่าองค์ฮะเปิดดูก็อย่า ง, ง น, นั้นอย่างนั้นเนี่ยพอรู้รกันอยู่เกิดนี้ก็คือ ผูุ้โชนเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดว่าใครเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์ได้นะฮะทั้งสองด้านเพราะคนที่จะรู้ในเรื่องเหล่านี้จะต้องมียาน ร, ระดับเดียวกันเท่านั้นนะฮะหรือสูงกว่าสูงกว่านั้นไม่ต้องพูดหรอแต่ว่ายานต้องระดับเดียวกันจึงจะรู้กันได้พระหันจึงรู้ความเป็นพระหันต้องการอะกันได้แต่ผู้ตุชนจะรู้ความเป็นพระหันของพระหรันท่านไม่ได้เพราะวาความเป็นนั้นอยู่ที่จิตใจของท่าน อย่างที่เคยเล่าเรื่องอาจารย์มั่นท่านตรวจสอบใจของพระที่ ท, ที่วัดเทศสิรินนะฮะตู่กันทั้งคืนยังไม่รู้เรื่องเลยตามจิตกันทั้งคืนยังไม่รู้ตอนองค์นั้นหลับถึงรู้ได้ตอนหลับแล้วก็ฝันจึงรู้ความคิดได้ในขณะทั้งองค์ทั้งตื่นทั้งองค์ทั้ง น, นั่งสมาธิตู่กันไม่ได้เลยตามกันไม่ได้รู้กันไม่ได้ก็จิตมันทันกันมีความสะอาดมีความสงบเมื่อจิตสงบในสงบขนาดขนาดชาเนี่ยเราก็รู้ไม่ได้แล้วนะ อรหันหรือไม่อรหรันเพราะว่าพฤติกรรมที่ปรากฏทางกายทางวา จ, จานั้นเป็นกุศลฮะเป็นสุจริตล้วนๆจะไม่มีลักษณะของทุจริตปรากฏจู่เพราะงั้นใครจึงไม่สามารถจะไปตัดสินในกรณีั้นได้จึงทรงเน้นหลักพิสูจน์คนไว้สี่หลักความมีศีลจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆ ในขณะที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่วางใจโครมครามลงไปเลยว่คนนี้ดีแล้วคนนี้มีสิทธิ์แต่จะต้องมีมานสิการต้องเพ่งพินิษพิจารณาต้องชียบเคียงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็บางครั้งบางคราวต้องมีการพิสูจน์นะองมีการพิสูจน์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่ท่านอุปมาในตอนสุดท้ายนะฮะว่า บุคคลจะได้สุขติกับพระศีลจะได้พกกสมบัติกับพระศีลจะได้นิพานกับพระศีลแต่สมาสีลังวิโสทเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลของตนให้หมดจดเมื่อสมาทานไปแล้วก็เป็นอันสมาทานไปแล้วแต่ว่าจะรักษาศีลได้หรือไม่นั้นมันต้องถึงคราวที่จะพิสูจน์ตัวเองนะฮะอย่างในกรณีสมมติว่าปาณาติบาตอนี้ การาธิบัตินั้นส่วนมากอย่างญาติโยมอยู่ในกรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่ว่าคนที่ไปอยู่ข้างนอกซึ่งมีอาชีพที่จะต้องหาอาหารส่วนหนึ่งกินเองรับศีลไปแล้วเดินไปจากวัดไปเจอปลาตัวบน ล, ล่มนะติดน้ำอยูย่จะจับปล่อยหรือจับแกง <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันร้า้เจอปลาจะก่อน หรือว่าเรารับศีลไปแล้วนะฮะไปเจอแหวนเพชรเขาวางไว้เนี่ยฮะจะเอาศีลจะเอาอทินนาทานจะจะรักษาศีลก็อทินาานาทานหรือจะเอาเพชรล่ะมันไม่แน่นะฮะแต่ว่าคนบางคนนั้นเขาสามารถรักษาศีลไว้ได้โดยมองมองเพชรเหมือนกับอะไรเมืองก้อดินนะฮะเมือนกงก้อนดิน ยังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะเคยเล่าเรื่อย่างรู้สึกจะเคยเล่าให้เด็กฟังนะฮะว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแกไปพบเงินที่วัดเบญจมาศพิธีสี่หมื่นห้าพัหลายปีแล้วแล้วแกเอาเงินนี้คืนเข้าไปนะฮะเด็กมัธยมคืนเขาไปโดยไม่บอกชื่อให้เขาตรวจสอบเงินเสร็จแล้วไม่บอกชื่อเขคืนเขาไปลูกสาวแม่ค้าขนมจากที่ทั้งหมดประการ เวลาเขาถามแกว่าทำไมหนูไม่เอาทีหลังนะฮะเมื่อก็สืบอะไรรู้กันแล้วเนี่ยจะได้รับโล่ไปแล้วเด็กคนนี้แกบอกกับแม่แกสอนไว้ว่าให้เห็นเงินคนอื่นเหมือนกระเกกระดาษตัวเดียวเนี่ยพิสูจน์กันได้พิสูจน์กันได้ว่าเด็กแม่ลูกแม่ค้าขนมจากเจอเงินสี่หมื่นห้าไม่เอาเใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่แน่นะฮะถ้าแสนหนึ่งจะ จะต จ, จะถูกโยกครอนหรือเปล่า ก, ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งว่าในการความมีศีลนี่ไม่ใช่โดูจากอาการภายนอะกจะต้องดูจากการสังเกตการพินิจพิจารณาอยู่เสมอเสมอเออพราะว่าตามปกติแล้วพวกอะไรพวกนกยางจำศีลพวกเสือจำศีลนิทานโบราณในท่านสอนไว้นะฮะเราจะเห็นว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพน่าประทับใจทั้งหมด การที่สัตว์ทางหลายต้องตกไปเป็นอาหารเสือเพราะเสือมีภาพที่ประทับใจมากนกย่างต้องตกเป็นอาหารอ้ไม่ใช่ปลาปลกปลาพวกอะไรที่ตกเป็นอาหารของนกย่างนั้นเพราะภาพของนกย่างปรากฏน่าประทับใจแต่ว่าแท้จริงแล้วกลายเป็นคนที่ข้างนอกสุขสายข้างในตัติ้งหน่องนี่ก็ต้องดูต้องมานาสิการต้องพิจารณาเทียบเคียงนะฮะ ไม่ใช่ว่าพอเห็นพระเดินเคร่งเคร่งหรือหกคนเดินเคร่งเคร่งติ่มติ ม, ตมเรียบร้อยแล้วมาน่านับถือได้เกินนะฮะไอ้พวกเคร่งเกินไปนี่ไม่ไม่จริงนะฮะเดินบินท บ, บาทก้มจอมจอมจองไอ้พวกเหยียบมดไม่ตายเหยียบควายขาหักนั่นเดินผิดมนุษย์มานาเขาอ่ะ <c oughs> คือคือมันก็ต้องธรรมดาธรรมดานะฮะเดินธรรมดาธรรมดาสําส่วนก็ธรรมดาธรรมดาแต่เกินไปแล้วไม่จริง เป็นวิธีมารยามายาหรือสาเถยะนะฮะมารยาคือคื อ, คอมันมันโอ้อวดอย่างที่เล่าเรื่องเรื่องฤาษีวันก่อนน ะ, ะที่เราฟังว่าขนาดไอ้อะไรไอไอไอใบไม้มุงหลังคาหล่นติดชดาไปนิดเดียวออกมาคืนอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นอธินาธานอันนี้ไม่จริงไม่แน่จริงเพราะว่าเป็นการแสดงที่เกินไป การสังเกตเรื่องนี้ต้องอยู่นานๆอยู่ร่วมกันนานๆนะแต่บางทีต้องอยู่ร่วมกันเรียกว่า เ, าเป็นปีๆบุคคลบางคนนั้นสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยให้ท่านรักษาสถานะไ้ได้เราก็ดูท่านไม่ออกหรอฮะท่านดีหรือไม่ดีแต่เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปคนเราจะต้องแสดงวิการทางกายทางวาจาอะไรออกมาให้ปรากฏแล้ว จะรู้ได้เองว่าท่านมีศีลหรือไม่มีศีลแต่นั้นพระเจ้า จ, งจึงทรงใช้กับว่าจะต้องมนาสิการจะต้องมีปัญญาเท่านั้นจึงจะวินิจฉัยคนได้อย่างชัเดเจนนะรู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจนะจีนก็ยังว่ารู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจความมีศีลก็เหมือนกันคือต้องดูกันนานๆ น, นยทีนี้ความสะอาดพึงรู้กันได้ด้วยถอยคําและการการะทําของเขามันเป็นการสะท้อนถึงจิตใจของคนเรานั้น เพราะว่าคนเราก็คิดก่อนทำนะคิดก่อนพูดความสะอาดในทีน่นี้หมายถึงสะอาดใจนะฮะหมายถึงจิตใจที่สะอาดก็บอกคนนี้มีจิตใจสะอาดมีจิตใจบริสุทธิ์นี่เราจะพิสูจน์ยังไงเดียกยกตัวอย่างว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ที่คุณเนะี่ยโยมพิสูจน์ยังไงโอ้ยเจ้านิพพาดไปแล้วเราไม่มีอะไรพิสูจน์แต่เรามีเครื่องมือในการพิสูจน์พิสูจน์จากตรงไหนนะฮะ ตรงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเป็นของมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมทานตถาคตเพียงแต่ผูกพ้นพบนํามาเปิดเผยชี้แดงชีดแดง้แจงแสดงแก่เธอทั้งหลายเท่านั้นการปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายตถาคตเพียงแต่บอกให้คือไม่สามารถที่จะช่วยได้แม้คนจะเกาะชายจีวรตถาคตไปตั้งร้อยปีแต่ทําให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไมปฏิบัติชอบยิ่งไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วก็เหมือนกระทัผีที่ตักแกงไงไม่รู้รสแกง สแสดงสถานะโดยเปิดเผยไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเลยสแสดงเปิดเผยมากเลยไม่ไม่กลัวเสียสถานะไอ้นี่เสียรางวัลแย่นะฮะไปพูดอย่างเงี้ยแต่คนบางคนโอ๊ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เจ้าของธรรมะไม่ใช่ผู้สร้างธรรมะอย่านับถือทำไมคนบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะฮะพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ใจเพราะเพราะพระองค์ไม่ได้ทําอะไรเพื่อพระองค์นี่ ไม่ได้สร้างให้ปั้นรูปหล่อไว้สักการะบูชาไม่ได้สร้างให้ช่วยลา่าไปบอกคนอื่นให้มานับถือพระองค์ด้วยเวลาสอนเราจะเห็นว่าสอนผิดกับเพื่อนนะครับเจ้เตอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อ ป, ป, ป, ป, ป, ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออาการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ประลบพระองค์สักนิดนึ่งนี่คือคนบริสุทธิ์เราพิสูจน์ได้จากคำพูดเนี่ยพูดออกมาแสดงออกมา เป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือเปล่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือเปล่าที่ต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือเปล่าถ้าต้องการประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อตอบสนองตันหาของตัวเองก็แน่นอนว่ามันก็บริสุทธิ์ได้ว่าใจไม่บริสุทธิ์หรือว่าการที่ทรงสั่งสอนในเรื่องการบูชาอย่างเงี้ยเราลองดูว่าการบูชาสองอย่างนะด้วยอามิดด้วยการปฏิบัติ ทรงเอาสองอย่างมาเทียบเคียงกันนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธอมิสบูชาหมายความมาเทียบเคียงกันยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานั้นชื่อว่าเป็นการปฏิบูชาต่อพระองค์ด้วยการบูชาอย่างยวดยิ่งอย่างสูงสุดเมื่อเทียบกับอมิสบูชาทีนี้เราเรามองถึงผลที่เกิดขึ้นจากการบูชาวาพระพุทธเจ้ า, จาเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือใครได้ประโยชน์ คนบูชาโดยอามตสิ่งของช่วยตักบาตรช่วยถวายจีวรช่วยสร้างกุฏิให้ไร้ไรพระพุทธเจ้าได้พระสงค์ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสู้ปฏิบัติบูชาไม่ได้เป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงปฏิบัติบูชาใครได้คนบูชาได้นั่นคือเราพิสูจน์จิตใจของพระพุทธเจ้าได้พระไทยตั้นสะอาดแล้วก็มีบทอีกเป็นอันมากที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีพระไทยที่บริสุทธิ์จริง ดูที่ ท, ท, ที่ที่พระพุทธธรมรมหลักที่สอนไว้ในที่ต่างๆนะโยมจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเป็นเหตุที่ให้ปรารบตนเองเพื่อสนองตอบตัญหาตัวเองนี่ไม่มีเพราะไม่มีตัญหาสํหาหรับสนองตอบยกย่องคนเชิดชูคนบางทีก็เหนือพระองค์นะฮะ ยกย่องลูกศิษย์นีอย่างที่เคยเล่าเรื่องนักบวชนอกศาสนาที่เขาไปชุมกันแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าสาวกนับถือจรวดกระดูกเพราะว่ามีอาหารน้อยมีนุ่งห่มผ้าบางสกุลไดๆเนี่ยพระเจ้าบอกไม่ใช่หรอกอย่างนั้นลูกศิษย์ของสถาคตบางคนก็เก่งกันเยอะบางคนก็ฉันข้าวคาเดียวเอ ง, เองนนหนึ่งวันนึงบางคนก็กนุ่งห่มผ้าบางสกุลจริงๆเกีเศษผ้ามายปป็ปฏติดปะตอ่อจริงๆแต่เราบางทีก็ชาวบ้านก็ถวายเครียกรอกฤหับบดีจีวรนะฮะ ยี่บอที่ชาวบ้านซื้อมาถวายเป็นใจตายเป็นตัวตัวแล้วก็ช้ายอย่างนี้แล้วบางทีพระองค์ก็อยู่ทุกปราศาสตเลยลูกศิษย์บางคนไม่เคยเข้าที่มุงบางเลยแสดงว่าลูกศิษย์เก่งกว่าเจ้นั้นคือพระไทยที่บริสุทธิ์ยกย่องเชิดชูคนหม่ว่าใครก็ตามแล้วไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกศิษย์ของพระองค์นะฮะแม้แต่นักบุญนอกาศาสนาเองถ้าคนดีๆแล้วพระองค์ก็ยกย่องเชิดชูเขาที่อดีตเยอะแยะไปหมดเลยนํามายกย่อง นันคือการพิสุจน์จากถ้อยคำและการกระทําของเขาอย่างว่าจิตใจของคนที่สะอาดมันแสดงเวลาพูดออกมาก็เป็นถ้อยคำที่สะอาดดังเกยียรตขยะขยั่งที่จะพูดคำหยาบคายไร้กาศออกไปนะรู้สึกว่าไม่สบายใจคาพูดที่สแสลงหูสแสลงใจของบุคคลอื่นก็ไม่พูดถ้อยคำแบบนั้นเราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างในการการเทศ นะีมันญากของการเทศหรือการสอนการแต่งกระถูตั้งแต่แต่งกระถูนะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาตั้งแต่แต่งกระถูเลยนักเรียนเราแต่งกระถูนี่อนุญาตให้เล่านิทานได้นะครให้เล่านิทานบุคคลเปรียบเทียบขึ้นมาได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นห้ามเอาคนปัจจุบันมาพูดห้ามเอาคนที่มีชีวิตอยู่มาพูดหรือคนตายไม่นานมาพูดแต่ถ้าพูดถึงความดีพูดได้นะ โยกันต่อหน้ายังได้เลยโยกันต่อหน้าได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่พูดถึงความดีเขานี่ยกย่องกันต่อหน้าได้แต่ถ้าความไม่ดีห้ามพูดเลยก็ถือว่าขาดเมตตาจิตแสดงถึงจิตใจอาจจะประกอบด้วยโมหะนะฮะประกอบด้วยโมหะวันก่อนนี่ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คุ้นเคยกันมานานนะเคยทํางานร่วมกันมานานตั้งแต่สมัยจมพลสิริจู่นะตะลุยอบรมนักโทษกันทุกแดนนะ 20กว่าปีมาแล้วทํางานด้วยกันมาเนี่ยพอดีท่านจับพระจับผูไปเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาพบกันก็ดีใจนะก็นั่งคุยกันพักหนึง่งท่านน้อยใจเรื่องพระองค์หนึ่งไปเทศลงเททบบอกว่าขนาดคนขนาดนี้ยังทําอย่างนั้นอย่างนี้ท่านน้อยใจท่านตามไปถึงวัด ไ, ไปสอบถามองค์นั้นบอกก็ไม่รู้ว่าพูดตามข่าวของซื้อพิมพ์ไปพูดไม่ได้นะไปพูดไม่ได้เรื่องอย่างนี้พูดไม่ได้เพราะว่า เรื่องศาลยังไม่ตัดสินและอีกอย่างหนึ่งนั้นในแง่ของกฎหมายเราก็ต้องสารนิฐานไว้ก่อนนะว่าจำเริญบริสุทธิ์สาบเท่าที่สาบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินวินิจฉัยลงไปถึงสารฎิกาถนะึงสารฎิกากันแล้วจ ะ, จะพูดก็ได้แต่ว่าให้ก็ตายไปหลา ย, ลา ย, ลายปีเกิดคือที่ก็ลูกหลานไม่เหลืออยู่นะตั้งในการสังเกตเรื่องเหล่านี้บางทีก็สังเกตที่การงานการงา น, งา น, งานการกระทําของคนท้อยคําที่พูดออกไป เออกลักษณะแนวอะไรฮะแนวแนวคนรักสวยรักงามมันก็เริ่มมาจากแนวผู้ราักาจริตะ เ, เสื้อผ้าที่อยู่ที่อาศัยอะไรตระายของคนอันนี้ก็มีสองชั้นนะฮะบางทีอยู่ที่อยู่ที่ราคาจริต <laughs> บางทีมันอยู่ที่ราคาจริตเป็นคนรักสวยรักงามเฉยๆจิตใจก็ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ประณีตประณีตพอสมควรส่วนที่สังเกตได้ชัดก็คือถ้อยคาที่เป่งออกมาพูดออกมาว่า มีการเบียดเบียนตนเองหรือว่าเชิดชูตัวเองหรือว่าทําลายล้างหรือเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่สมับตนเองนะีถ้าพูดเบียดเบียนตนเองก็ถือว่าใจไม่สะอาดนะฮะแล้วพูดเชิดชูตัวเองก็ใจไม่สะอาดเหมือนกัน <laughs> เพราะอะไรเพราะว่าการยกย่องเชิดชูตัวเองนั้นแสดงถึงว่าตัวเองต้องการผลประโยชน์ต้องการผลประโยชน์จากการเชิดชูตน ดังนั้นบินัยจึงห้ามห้ามไว้เลยพระเนี่ยห้ามไว้สองชั้นนะฮะชั้นหนึ่งคุณสมบัตินั้นมีอยู่จริงห้ามห้ามอวดใครขืนอวดต้องอาบัติปาจิตติถ้าไม่มีจริงขาดจากพระเลยห้ามอวดไว้สองชั้นเพราะอะไรเพราะว่าการการกา ร, การพูดในลักษณะเชิดชูตัวเองทั้งสองทั้งสองแง่นะฮะแสดงว่าผู้พูดต้องการผลประโยชน์ความเคารพนับถือลาจ า, าระชื่อเสียง ไม่พูดเฉยๆนะ่ะพูดพูดพู ด, พดต้องการผลประโยชน์อะดังนั้นวินัยจึงห้ามไว้แล้วก็เป็นการพิสูจน์คนแต่ต้องพิสูจน์กันบ่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่าพูดประโยคหรูๆมาสองสามประโยคแล้วเราจะโอ้ยคนนี้เก่งไม่ได้คนระต้องนานเลยต้องพิสูจน์กันนานต้องคิดบางทีอย่างที่เคยบอกว่ากําพูดมันหรูๆแต่ใช่ไม่ได้ก็มีแสดงว่าจิตใจมีอะไรมีความเครือบแคลง ม, ม, มีมีมีอะไรแฝงเรนมีเป้าหมายที่ซ่อนเร้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเพราะงั้นดูถ้อยคําคําพูดแล้วจะมีความละเมียนละไหมเช่นตัวอย่างคําพูดที่เคยแพร่หลายดูเหมือนจะเคยยกไห้ฟังทีอยงแล้วนะครับว่าเช่นศาสนาทุกศาสนาดีเหมือนกันศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดีเท่ากันเ น, นี้ยคือเราจะเห็นว่าคนพูดไม่จะพูดด้วยโมหะนะพูดด้วยเล่ห์กระแท่ พูดด้วยเลขกเทศมีมายานะฮะต้องการผลประโยชน์ซึ่งแฝงเร้นอยู่หลังจากไอ้ถ้อยคำสองสอ ง, สองประโยค น, นี้ได้รับการยอมรับแล้วแล้วก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติมีอิทธิพลครอบงำจิตใจคนได้แล้วบันไดต่อไปมึงจะออกมานี่คือถ้อยคำที่หรูๆซึ่งต้องสังเกตนะบางครั้งบางคราวมันรู้ไปหมดเลยนะ ก็เรียกว่าล้อตาเข็บมันต้องอ่านแบบล้อตาเข็บกันเลยล้อตาเข็บกันทีละทีละคำทีละทีละวักทีละวักกันเลยวิเคราะห์กันทีละวักเลยหนังสือบางเล่มบางเล่มเราอ่านต้องอ่านอย่างช้าๆอ่านต้องคิดตามไปตังทุกวักเลยฮะทุกวักเลยเพราะมันมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งย้อนกลับเข้าไปหาจิตใจของคนการขีดเขียนการพูดอะไรมันก็แสดงถึงใจคนน่ะ แล้วก็ทําให้เรารู้จักคนคนนั้นด้วยเขามีความคิดอย่างไงมีพื้นอัธยาศัยอย่างไรนะมีคุณธรรมมีเมตามมเมตากรุณาอะไรหรือไม่นะฮะ ถ, ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะการณีพูดแม้ในกรณีเขียนมันก็จะท้อนออกไปจากใจของบุคคลคนนั้นได้ต่อไปต้องใช้คำว่ากําลังใจจะรู้ได้ยามมีอันตราย อีกในที่หนึ่งสงใช้คาว่าอุกเทศสุรมิจติในภาวะวิกฤติเนี่ยภาวะวิกฤตินีต้องการคนกล้าในที่นี้สงใช้คว่ากำลังใจเนี่ยรู้เมื่อเผชิญปัญหาวิกฤตปัญหาวิกฤตต่างๆเราจะเห็นว่ากำลังใจของคนเราจะมีมากหรือมีน้อยมันก็ดูกันตรงนี้พยายามปกติสถานาการณ์ปรกติธรรมดาธรรมดานะฮะ ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินสมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งเล่าเรื่องอะไรที่เกิดระเบิดที่ยาลานะฮะเกิดระเบิดทีิยาลาปั้งก็มาราชดรวิ่งพลูไปเกือบหมดเลยวิ่งเป็นพักหนึ่งตั้งส ต, ติได้ก็วิ่งกลับมาอีกนี่คือแสดงว่ายามีอันตรายนั้นพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างแต่ก็เราก็พิสูจน์อีกอย่างหนึ่งว่าจิตใจของคนมีความจงรักภักดีเหนียวแน่นมาก ตอนขวัญกระเจิงก็กระเจิงจริงเหมือนกันกระเจิงหมดทั้งตัววิ่งกันไปเป็นแถวไปเลยแต่แกก็กลับมาเป็นห่วงเป็นใหญ่ในหลวงขึ้นมาวิ่งกลับมาหมดนี่ก็คือพิสูจน์กำลังใจคนได้ยามชเผชิญหน้าอันตรายที่วิกฤตเราดูตัวอย่างชัดมากที่สุดคือพระนเรศวรนี่ชัดจังเลยภาพนี้เป็นภาพที่ที่พิสูจน์พระไทยที่แกข่งมากเลย แล้วก็ไหวพริบปฏิพานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในพระองค์ท่านนี้ตอนตอนตอนสงครามยุทธาธิ์นะฮะลองมองภาพนะฮะภาพศึกสงครามสมัยนั้นว่าช้างเข้าไปสองเชือกมีคนข้างล่างแปดคนมีคนข้างบนเจ็ดหกคนมีช้างสองเชือกแค่นั้นเองอยู่ในท่ามกลางฆาศึกเป็นแสนอันตรายน่าวิกฤตมากพลิกแปลงสถานการณ์เป็นเป็นรองให้เป็นต่อ เป็นต่อแล้วก็ชนะได้นั้นแสดงถึง จ, จิตใจที่มั่นคงไม่โยกครอนไม่หวั่นไหวนี่ก็คือคือบทพิสูจน์คนภาวะวิกฤตในลักษณะนี้ซึ่งว่าคนบางคนเอามาเคยเคยประทับใจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นพระและท่านดุลูกวัดในกลูวแล้วก็ดุจังเลยนะ วันนั้นไปเห็น อ, องค์นี้ไม่ใช่เล่นนะภายในของท่านนี่ไม่เบาเงินนะ้ยจิตใจแข่มแข็งมากเลยมีเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วนะฮะรู้สึกเจอเราสักศนะูนยะ์หนึ่งศูนย์สองเลยนั่นนะแล้วมีคนเดินขบวนมาถึงก็ด่าด่าพระนะฮะด่าพระเป็นผู้ใหญ่จันันราชาคณะ ด่าใหญ่เลยแล้วก็ว่าเสียหายเรื่องเรื่องเรื่องเยอะท่านตรงนี้ก็นั่งฉันข้าวเฉยฉันข้าวเสร็จแล้วก็ตั้งก็หันไปยิ้มอยู่ได้แล้วก็พูดนานๆตั้งก็หยิบส้มมาถานจะกินส้มนี่ก่อนนะนาๆและคอแห้งไอ้วงนี้เลยโดยเขินเลยนะครับนี่นี่ด่าคนอื่นนะฮะด่าคนอื่นอีกองค์หนึ่งนี่ยด่าตัวท่านเองเล ต, ตัวตัน้นเองเอามาฟังจากที่ไกลคือคือตอนนั้นก็นั่งเรือผ่านอ่าวไทยเนี่ยถูกเรือโยกเอาเลยเลยเลยเอลุกขึ้นไม่ได้มันมึนหม ด, หมดเลยแต่ก็ได้ยินเสียงตลอดตั้นนั่งฟังได้แล้วบอกว่าเอาแล้ววันนี้ถ้าถ้างั้นถ้าคุณไม่เชื่อโยมไม่เชื่อโยมก็นั่งว่าอะไรนึกจะหวาอะไรก็ว่ามาไม่ต้องฉันข้าวฉันด่างโยมอะ้รกันก็นั่งฟังเฉยนั่งฟังเฉยไม่ว่าอะไร จนคนนี้แกคือว่าคนเราต้องลอยให้ด่าคนเดียวพักเดียวทั้งหมดภูมแล้วเป็นไจะด่าได้ยังไงในสุดก็อยู่ไม่กี่วันก็ยกขบวนมาขอเข้ามานั่นคือภาวะวิกฤตซึ่งเป็นการพิสูจน์คนได้ในอารมณ์ที่วิกฤตนะในวิกฤตที่ต้องต้องต้องการจิตใจที่กล้าแข็งต่อสู้กับกระแสอารมณ์ต่อสู้กับกระแ ส, ออ ส, ะแสของกิเลสต่อสู้กับอะไรต่อมิอะไร ในลนักษณะนี้เราต้องการกำลังใจว่ามีกำลังใจมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะอย่างที่อะไรนิทานเรื่องเสหายสองคนที่ว่าจะเผชิญหน้าร่วมเป็นร่วมตายกันนะฮะสมัยเป็นเด็กเรียนรู้สึกจะนิทานสุภาษิตหรือนิทานอิศวนิทานสุภาษิตนะฮะมีอันตรายก็จะหันหลังชนกันเผชิญอันตราย <laughs> พอดีมีเดินมาไอ้นักเลงพูดวิ่งพลวดเดียวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วนั่นคือการพิสูจน์คนว่าเอ้าก็จริงแล้วก็เหลวนะ แต่การพิสูจน์คนเหล่านี้บางทีมันนานนักเกินเพราะว่าอารมณ์วิกฤตบางอย่างเนี่ยมันมันไม่แรงพอที่จะให้เขาแสดงท่าแท้อะไรเข้ามาเพราะคนเราถ้ามีเป้าหมายที่ซ่อนเร้นนะฮะมีเป้าหมายที่ซ่อนเร้นแฝงอยู่เบื้องหลังนั้นบางทีงเขาจะก็เรียกว่ามันเกิดมาน ะ, ะเกิดมานะที่ต้องการจะหยุดเรื่องเหล่านี้เอาไว้ให้ได้นะเพื่อได้ผลประโยชน์ที่เหนือกว่านั้นนะ แกจะแสดงอะไรได้สวยจ น, จนเราจับไม่ติดเลยอย่างที่พูดกันว่าคนเป็นผู้ใหญ่กับคนมีเงินพิสูจน์คนใกล้ชิดยากที่สุดเราไม่รู้ว่าใครจะจริงใจกับเราหรือไม่จริงใจกับเรานะภาวะวิกฤตในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยการมนสิการการแสดงออกจากแววตาจากสีหน้าจากการ อ, อ, อ้างเล่ดวิธีการต่างๆซึ่งซึ่งซึ่งเขาทำกันนะฮะแล้วก็พิสูจน์เขาได้ว่าเขาเป็นคนมีกําลังใจเข้มแข็งจริงหรือเปล่าพร้อมที่จะเผชิญอันตรายปัญหาต่างๆอะไระมีอะไรคนคนหนึ่งะฮะไปสมัครเป็นนักการเมืองะฮะไปสมัครหัวหน้าพักคนหนึ่งหัณหน้าพักเขาบอกว่าไม่ได้เราคุณเรื่องการเมืองนี่ลำบากบางทีต้องสือพิมพ์มันด่าถึงพ่อถึงแม่นะด่าเตจมเสียหายเลยนะเป็นไม่ใช่ได้ง่ายๆ ก็บอกโอ๊ยผมไม่เป็นไรผมรับรองเลยผมไม่หวั่นไหวไม่มีการโต้อตอบต้องอดทนเด็ดขาดพูดกันเพลินนะฮะมันหลอกพูดเพลินแล้วก็อหัวหน้าพักเขาก็บอกไปเอ๊เขามีประวัติว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าประวัติคุณไม่ค่อยดีประวัติแม่คุณก็ไม่ค่อยดีปังเลยปังเลยขึ้นมาเลยจะท้าต่อยเอาหัวหน้าพักไปเลยแกเนี้ยเนี่ยบอกเนี่ยคุณไม่แข้มแข็งจริงอ่ะคือมันพูดมันได้ พูดได้แต่ว่าเวลาวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตนั้นเราแสดงอาการหวั่นไหวหรือเปล่าเราพร้อมที่จะไปเชิญหน้าแก้ปัญหาอะไรอันตรายต่างๆหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าอันตรายนั้นที่จริงมันไม่ใหญ่นะฮะไม่มีอันตรายอะไรใหญ่เหนือวิสัยที่เราจะแก้ไขได้หรอกนอกจาก้พวกระเบิดปรมาณูอะไรต่างๆมันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอันตรายจากธรรมดาสามัญเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราแก้ไขได้แต่ส่วนมากกําลังใจคนเสียไปเท่านั้นเอง ตกใจตกใจตื่นเต้นนะฮะตื่นกลัวผวาจนเสียเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เละ เ, เอเหยียบกันตายอะไรแต่ไรเนี่ยเพราะว่ากำลังใจเราไม่แข็งดังนั้นการฝึกปลือให้จิตใจที่มีความแข้มแข็งยังยังอามาเคยคุยกับเพชฌฆาตที่ที่บางขวางไปอบรมนักโทษก็นั่งคุยก็หาความรู้ได้เรื่อยเอามาไปนัก ไปไปในเรินจาก็ได้ความรู้เยะครับพอเราหยุดเทศก็ให้เขาเทศให้เราฟังบ้างแกบอกว่าแกฝึกตัวเองเนี่ยฮะจนเดินเหยียบไฟร้อนร้อนไม่รู้สึกฝึกตัวเองมาจนจนจนเดินเหยียบไฟเนี่ยไม่รู้สึกตะปูต่ำไม่รู้สึกเพราะงั้นใจแกจะไม่รู้สึกกับการกระทำเลยกระด้างะฮะฝึกจนกระด้างไม่รับรู้ ถ้าไ่งั้นก็ทำงานเหล่านี้ไม่ได้นั่นคือเอาไปใช้ในทางในอีกทางหนึ่งนะแต่แสดงถึงว่ากำลังใจนั้นต้องฝึกไปทุกกรณีเลยเวลาปัญหาวิกฤตถ้าเราไปทำแล้วมานอนวิตกกังวลเป็นหวาดผวาเสะดุ่งกลัวแล้วตายเลยนะบางทีก็เป็นโรคประสาทหลอนเป็นบ้าหายไปเลยนี่ก็กำลังใจจะรู้ได้เมื่อเผชิญอันตรายเรียวภาวะวิกฤตะวิกฤตทางอารมณ์วิกฤตทางสังคมวิกฤตทางเหตุการณ์อะไร นะบางทีลนบูบลงมาคนร่ํารวยเนี่ยหลนบูบลงมาหมดเนื้ อ, ห ม, อหมดตัวไฟไหม้เกลียงอย่างเงี้ยบางทีก็วิปลาดไปเลยบางทีตั้งหลักได้เอ้ยไม่เป็นไรของนอกกายหาใหม่ได้นะคนที่มีกําลังใจดีไม่เป็นไรของนอกกายหาใหม่ได้อย่างเคยเล่าท่านนาตาบินทิกาเศรษฐีที่ที่คนเผากุติท่านนะกุติท่านสร้างถวายพระพุทธเจ้าถวายเสร็จพอฉลองนะจะรองเพื่อนเผาจะ เ, เลยท่านดีใจใหญ่เลย ท่นดีใจใหญ่เขาถามไอ้ท่านหัวเราะทาไมท่านบอกก็ดีแล้วนี่สิ่งที่ผมทําผมทําเสร็จผมฉลองเสร็จแล้วผมถวายเสร็จแล้วผมได้บุญของผมเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นคนเผาใหม่ผมได้มีโอกาสสร้างอีกหลังนึงเลยสร้างอีกหลังหนึ่งนะจะได้บุญต่อไปนั่นคือกําลังใจกําลังใจเวลามีอันตรายอะไรไม่หวั่นไหวแล้วก็เอาประโยชน์จากอันตรายเหล่านั้นได้นะนี่ก็คือจุดจุดเด่นที่สูงขึ้นกว่านั้นหมายความว่าหาประโยชน์จาก อันตรายที่บังเกิดขึ้นได้อีกต่อ น, นึงเช่นพระนเรศวรทัาหานั่นเองทีนี้ปัญญาจะรู้ได้เพราะการสนทนาการทีนี้าการสนทนาก็อึมมันต้องสนทนายอย่างมณสีการอย่างเพ่งพินิจพิจารณาอย่างใช้เหตุผลเชีย่ยวเคียงตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีคนกันพูด ก, กันเจ้าเจ้าเจ้าจนะฮะแต่ว่าโดยเนื้อหาถ้าหากว่าเรานําเรื่องเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติเนี่ย ไปรพิธปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ผลตามที่พูดหรือเปล่าเมืม่อวานไปอบรมผู้บริหารที่ที่โรงแรมซีวิวพัทยาเดียนนี้ไปพูดโรงแรงมบ่อยๆมันเสียหลังยังไงชอบกิข้าวไปโรงแรมยังไม่ค่อยสนิทใจแต่ว่ามันมันเป็นงานที่จะต้องทำคือเราฟังผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดนะแล้วมาก็นั่งคุยนั่งฟังอยู่กับอธิบดีข้างนอกเรคุยกันเนี่ยคือเราจะเห็นว่า พอพอเราเปิดฉากอีกด้านหนึ่งมันจะมีปัญหาอีกด้านหนึ่งตามมาหรือท่านบอกว่าต้องจําเป็นที่จะต้องกระจายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออกไปถึง70 80 90% เซเพราะเวลานี้เรารับได้น้อยท่านก็มีตัวเลขนะฮะทมาก็หันไป็นกระติบตัที่ิบดีบอกว่ามันก็ที่จริมันกแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะแต่มันมีปัญหาคนทิ้งทิ้นนะเพราะว่าคนไทยนั้นพอมันจบมอดมอามมันจับหางยามจับจบจับเสียไม่ได้อะ จับไม่ได้แล้วมือมันบางนะฮะแม่มันกลัวจะเสียศักดิ์ศรีต้องไล่ลูกเข้าวปลาหมดเลยข้าเมืองหมดเลยไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรมก็มานอนอยู่ตามสลามอะไรเป็นสิงเจอโรอินไปเล่นอยู่เทลนันตะเกตไปติน้นติโกอะไรไปทำแล้วเดี๋ยมาไถานายอยู่ที่นี่ก็แล้วกันนี่คือคือปัญหาว่าเมื่อเราพัฒนาระบบการศึกษาดับมัธยมพอสูงขึ้นไปเนี่ยที่จริงดีนะฮะในจุดนี้ดีวิเศษมากเลยแต่ บ้านเมืองเรานั้นอยู่ภาคเกษตรกรรม 80% แล้วคนเราทิ้งถิ่นฮะทิ้งนาทิ้งสวนทิ้งอาชีพของอพ่อแม่ปุ ญ, ญาตายายต่อไปมันก็ต้องซื้อข้าวสารัฐสนุกนั่นคือถ้าเราจะแก้เราต้องแก้ทุกจุดเพราะปัญหาเหล่านี้มันเป็นวงจรนันหมดเลยวงจรนันหมดสมมดว่าเราจ ะ, ะส่งเสริมให้แก่กลับไปที่ท้องท้องถิ่นอย่างเงี้ย เราก็ ต, ต, ต้องต้องต้องมองว่าแกผิดข้าวมาแล้วมีความคุ้มค่าขนาดไหนก็ได้กําไรขนาดไหนใครไปหาตลาดให้แกเมื่อต้องข้าวไปในกระบวนการข้าวกระทรวงพาณิชย์ข้าอะไรตัวไรว่าก็ไม่เป็นแถวไปเลยเราต้องแก้คล้ายๆกับมัน้ําไหลฮะเวลานี้มันมันปันปัญหาต่างๆพอไหลไปหน่อยไปถึงขั่งแล้วไม่มีใครแก้จุดขั้งนั้นได้ปัญหาก็กลายเป็นดินพ่อขังหมูขึ้น เรื่องบางเรื่องในะรู้เราเห็นเป็นทางแต่เราก็มองตามไปว่าเอาตรงนี้แล้วถ้าปัญหาตรงนี้จะแก้ยังไงก็พูดทาพูดได้แต่ว่าปัญหาว่าใครจะแก้ะมันเรื่องใจนะนี่มาเอาตัวเลขมาหมดทั้งเล่มเลยเมื่อวานเนี่ยมานั่งดูเมื่อเมื่อบานตอนเย็นนี่ยโอ้ตายเลยตัวเลขน่ากลัวจริงๆนะถ้าเรามองในแง่การให้วิชาความรู้แก่เยาวชนเราเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าคนนี่ยังไม่รู้หนังสืออย่างอีกอยเยอะ แต่ถ้าเรามองไปถึงจุดมัธยมก็เป็นน่ากลัวอีกจุดหนึ่งทีนี้ถ้าจบมหาวิทยาลัยหมดก็น่ากลัวอีกจุดหนึ่งน่ากลัวใหญ่เลยทีเนี้ยมัธยมน่าจออไม่ใช่ระดับอุดมศึกษาระดับมหาวิทยาลัยน่าจะดีนะฮะแต่ว่าไอ้คติไอ้ค่านยมของไทยว่าถ้าท่านเป็นปริญญาไปไถนาไปทําสวนไปปลูกพืชไปขายกว๋วยเตี๋ยวไปอะไรไปอะไรไม่ได้เนี้ยก็ทําทไงว่างานมันก็มีจํากัด ตำแหน่งงานต่างๆแล้วทุกคนต้องการเป็นข้าราชการทั้งนั้นทุกคนจะวิ่งเข้าหาป้าเป็นข้าราชการข้าราชการเราก็มีมีถึงล้านนะฮะระชกรเราห้าสิบล้านแล้วทําไงต้องคงจะยุ่งกันหน้าดูปัญหาเหล่านี้เลยกลายเป็นวงจรทฤษฎีช่วงหนึ่งจะหรูมากแต่ว่าอีกช่วงหนึ่งอ่ะอีกช่วงหนึ่งอ่ะก็คล้ายๆกันอย่างนี้ฮะคล้ายๆกับเลิกลานสเก็ตไม่ได้เด็กจะมื่วสุมแล้วจะให้เด็กไปเล่นที่ไน มไม่ได้มีเด็กเด็กไมมีที่เล่นอ่ะเด็กจะต้องบริหารร่างกายจะต้องมีการเคลื่อนไหวจะต้องอะไรต่อะไรนี่ฮะเด็กอะ่ะเพะะั้นเราก็ต้องหาวิธีว่าใช้ไอ้สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ให้เป็นประโยชน์เราจะไปทําลายล้างแกไม่ได้ละความเจริญเติบโตในด้านต่างๆเนี่ยแต่ควบคุมที่ทางอย่ามันชงฉางเดีย๋ยวพอเด็กทําอะไรไม่ดีเด็กทําอะไรไม่ดีเด็กทําอะไรไม่ดีอีตอนเราทําก็ไม่ดีเยอะไปนะ่ะเด็กมันไม่เห็นเองอะ่ะ งั้ปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็พิสูจน์อะไรปัญญาหรือเหมือนกันเนี่ยเมือนก็อะไรที่ว่าจะจับคนมาทั้งหมดเนี่ยจับคนพวกผู้หญิงบางประเภทจับมาให้หมดเลยก็จับแล้วมันมันมั น, ม, นมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเพราะปัญหาตัวการต้องคาอยู่ทีปัญหาทางเศรษฐกิจเราให้วิชาชีพให้วิชาชีพแก่พอกินหรือเปล่านะให้วิชาชีพครั้งแรกไม่ใช่พอกินหรือเปลอมีมีงานให้แก่ทำหรือเปล่าเรียนวิชาชีพแล้วมีงานให้แกทํามันมีความคุ้มค่าหรือเปล่า คุมค่าแล้วแกเลี้ยงตัวแกได้หรือเปล่าแกแก้ปัญหาอย่างที่แกเคยแก้ได้เปล่าโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นนี่มันพิสูจน์กันที่คําพูดไม่ใช่ว่าทฤษฎีรู้รจับให้หมดเลยจับมันได้แล้วจับไปไหนเราไม่ใช่จับโยนทะเลได้นะคนของเราทางนั้นเลยจับแล้วมันต้องจับมันมีกระบวนการสร้างสารรค์ขึ้นมาที่มันพัฒนาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าจับเข้ามาแล้วแล้วทาให้เขาแย่กว่าเดิมนี่ก็คือเรื่องนี้เดีอวมันพิสูจน์กันที่ไอ้ถ้อยคําที่เราพูดออกมาเนี่ยว่า ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดของพระพุทธเจ้านี่พิสูจน์ได้เลยนะฮะพิสูจน์ได้เลยคนที่มันขยันก็หาทรัพย์ได้ไม่จำเป็นทางเสือนะมีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทําการงานตามสมควรแก่หน้าที่อะไรพิสูจน์ได้หมดเถ้าคนมันขยันแล้วก็มันขยันในทางที่ชอบนะฮะมีข้อแม้ว่ามันขยันในทางที่ชอบก็จะหาทรัพย์ได้นี่ก็คือพิสูจน์ถึงถ้อยคำนะพิสูจน์ถึงว่า จะทำจากจากไอการสนทนาการโต้ตอบการซักถามเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าคนที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาบางคนเขาโอ้โหเปด็อกเตอร์เยอะเป็นตําแหน่งอะไรเท่าไหร่ด็อกเตอร์ห้องแถวก็มีอันนี้ก็ขายกันไปตั้งสามแสนได้ก็แสดงว่าวางมาตรวางภูมิกุยคุยกันไม่เท่าไหร่มันก็รู้นะก็มก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอว่าจริงดังนั้นการพิสูจน์นี้มันก็ต้องอาศัยการซักถามการแสดงออกของเขาแล้วกัการซักถามของเรา การแก้ปัญหาในขั้นหนึ่งแก้อย่างนี้ปรากดปัญหาขั้นที่2ถามมันแก้ยังไงมัแงงนแก้อย่งงางนั้นแก้อย่งงางนั้นแก่อย่งงางนั้นแก้ได้ไหมบางทีมันก็พูดจะ ๆ, ๆ, ๆแล้วปัญหาว่าในทางปฏิบัติแก้ได้ไหมลองตั้งตุ๊กตารก็ดูว่ามันเดินได้ไหมครัเออดังนั้นในเรื่องการพิสูจน์ทุกจุดนะฮะความมีศีลจะพิสูจน์ด้วยการอยู่ร่วมกันต้องอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็พิสูจน์ด้วยวิธีการอย่างที่ว่ามาแล้วความสะอาดจะรู้ได้กันที่ถ้อยคํากการกระทําของเขา นะกำลังใจจะรู้ได้เมื่อมีอันตรายถ้าไม่มีอันตรายยังไม่รู้นะปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนากันนะในเรื่องลึกซึ้งหน่อยนะไม่ใช่เล่านิทานเรื่องเออโดเรมออะไรอะไรนี่ก็ไม่ได้พิสูจน์ปัญสติปัญญาอะไรต่างๆแต่เรื่องลึกซึ้งกงมายในสายนั้นๆนะฮะนี่ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือที่โยมจะเอาไปใช้ได้ตลอดพิสูจน์คนพิสูจน์คนพิสูจน์อะไรต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ อันนี้ก็ยติดลงด้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถอ